ข้าพระพุทธเจ้ามีความประสงค์จะทำน้ำอสุจิให้เคลื่อนพระพุทธเจ้าข้าภิกษุเธอต้องอบัตสังฆาทิเศษวงเล็บเรื่องที่6สมัยนั้นภิกษุรูปหนึ่งมีความประสงค์จะทำให้อสุจิเคลื่อนกำลังอาบน้ำร้อนแต่น้ำอสุจิไม่เคลื่อนท่านเกิดความกังวลใจว่าเราต้องอบัตสังฆาทิเศษหรือนอจึงนาเรื่องนี้ไปกราบทูล